สติคือผลลับสุดท้ายของการปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจ ะ, จะเจริญไปตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอาสติตัวเดียวเวลานั่งอยู่เฉยๆกำหนดสติรู้จิตอยู่ถ้าจิตอยู่เฉยว่างๆปล่อยให้มันว่างไปถ้ามันคิดสติรู้ อย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติวันนี้มีตาคนหนึ่งมาเขาพูดว่าผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อสทัทีแต่ว่าผมฝันว่าหลวงพ่อไปสอนกรรมฐานให้ผมหลวงพ่อสอนว่าให้กาหนดสติรู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆอย่าไปบังคับจิตอย่าไปนึกถึงความสงบหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ให้รู้ลมหายใจด้วยอาการเบาๆ ผมฝันอย่างเนี้ยมันจะถูกต้องไหมก็เลยว่าถูกถูกต้องตัวสติเนี่ยเป็นตัวธรรมะเป็นส่วนเจตสิกเราปฏิบัติกรรมฐานนี่ใครจะได้สมาธิขั้นใดยานขั้นใดฌานขั้นใดผลลับครั้งสุดท้ายสติตัวเดียว คนที่มีสติต่อเนื่องกันจะนอนไม่หลับจนตลอดชีวิตพอหลับลงไปแล้วจิตมันเข้าสมาธิมันรู้ตัวอยู่หลวงพ่อบวชมาเจ็ดวันอาจารย์ให้นั่งเฝ้ากุฏิจะเข้าไปอยู่ข้างในก็กลัวว่าท่านจะมาปลุกไม่ตื่นเลยปิดประตูแล้วก็นั่งเอาหลังพิงฝาประตูพอท่านกลับมาดึกตั้งสองยามท่านมาปลุกยังไงมันก็ไม่ตื่น จนกระทั่งท่านตเตะเราอย่างแรงพอตื่นขึ้นมาท่านถามว่าหลับหรือเปล่าตอบไปว่าไม่ได้หลับครับไม่ได้หลับทำไมปลุกไม่ตื่นไม่รู้เหมือนกันคือข้างในเนี่ยมันรู้อยู่รู้ตัวอยู่แต่ว่ามันไม่รับรู้เรื่องภายนอกในหลักของธรรมะเวลาท่านเขียนเป็นคำภีท่านก็แยกไว้เป็นประเภทประเภท แต่ว่าถ้าจิตมันเป็นสมาธิเป็นเอาตามธรรมชาติของสมาธิแล้วมันอยู่ในจุดเดียวกันหมดมหาสติปัฐานสกายเวทนาจิตธรรมในเมื่อจิตมีสติรู้จิตอยู่ถ้าจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่ก็รู้ว่ามีกายเมื่อรู้ว่ามีกายสุขทุกข์เกิดขึ้น จิตก็รู้เพราะสุขทุกข์มันเกิดที่กายแม้แต่ปีติสุขก็เกิดที่กายเมื่อจิตสงบละเอียดถึงขนาดที่ร่างกายตัวตนหายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายหมดยังเหลือแต่จิตรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้น